การแต่งตัวของพระพระสงค์เรานุ่งห่มจีวรสีครักและนั่นคือทั้งหมดที่เรามีเมื่อสองสามปีที่แล้ว อาตมาต้องเข้าโรงพยาบาลในประเทศออสเตรเลียสองสาวันในวันเข้าไปรับการรักษาเจ้าหน้าที่ถามอาตมาว่าเอาชุดนอนมาหรือเปล่าอาตมาตอบว่าพระไม่ใส่ชุดนอนหรอกถ้าไม่ใส่จีวรก็คือไม่ใส่อะไรเลยพวกเขาจึงยอมให้อาตมาสวมจีวร ปัญหาอยู่ที่ว่าเครื่องนุ่งห่มของพระดูคลายชุดกระโปรงบ่ายวันอาทิตย์หนึ่งที่ชานเมืองเพิร์อาตมากำลังขนวัสดุก่อสร้างขึ้นรถของวัดเด็กหญิงชาวออสซี่อายุราวส3าปีคนหนึ่งเดินออกมาจากบ้านแถวๆนั้น เพื่อจะมาพูดกับอาตมาเธอไม่เคยเห็นพระในพุทธศาสนามาก่อนเธอยือนอยู่ตรงหน้าอาตมามือเท้าสะเอวมองอาตมาขึ้นขึ้นลงลงด้วยสายตาดูหมิน่นดูแคลนแล้วเธอก็เริ่มดูว่าอาตมาด้วยซุ่มเสียงที่เต็มไปด้วยความรังเกียจขยะแขยงคนอะไรแต่งตัวอย่างกระเด็กผู้หญิง น่าทุเรศย่เธอทำท่าเวอร์มากมากซะ จ, จนอาตมาอดหัวราะไม่ได้และอาตมาก็ระลึกถึงท่านอาจารย์ของอาตมาหลวงพ่อชาติที่ได้สอนลูกศิษย์ว่าจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อโดนคนด่าว่า ถ้าใครก็ด่าเราว่าหมาก็ไม่ต้องโกรธหรอกเพียงแค่หันไปดูที่ก้นของเราเท่านั้นแหละถ้าไม่เห็นหางแล้วก็มันก็หมายความว่าเราไม่ใช่หมาน่ะสิหมดปัญหาบางครั้งอาตมา ก, ก็ได้รับคำชจมเฉยเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่มของอาตมาในที่สาธารณะ ครั้งหนึ่งอาตมาถึงกับคววยเขินไปเลยอาตมามีธุระในเมืองคนขับรถของอาตมาคือพระขับรถไม่ได้จอดรถตู้ของวัดไว้ที่อาคารจอดรถซึ่งมีหลายชั้นด้วยกันเขาบอกว่าเขาจำเป็นจะต้องเข้าห้องน้ำโดยด่วนเพราะเขาคิดว่า ห้องน้ําในอาคารจอดรถคงจะสกปรกเขาจึงไปใช้ห้องน้ําในโรงหนังใกล้ๆขณะที่คนขับรถกําลังปฏิบัติภารากิจตามความเรียกร้องของธรรมชาติอาตมาจึงรอเขาอยู่ที่ด้านนอกของโรงหนังยืนอยู่ริมถนนที่จอแจในชุดเครื่องนุ่งห่มพรานเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้ามาหาอาตมา ยิ้มหวานแล้วถามว่าอาตมามีเวลาไหมซึ่งก็ถามเป็นภาษาอังกฤษว่า Have you got the time ซึ่งมีความหมายสองในคือคุณมีเวลาไหมหรือว่าคุณรู้เวลาไหมพระเช่นอาตมาจะไร้เดียงสามากอาตมาอาศัยอยู่ในวัดเกือบตลอดชีวิตของอาตมาเลยทีเดียว และเนื่องจากพระเราไม่สวมนาฬิกาข้อมืออาตามาจึงกล่าวขอโทษเขาอย่างสุภาพว่าอาตามาไม่รู้เวลาเขาทำหน้านิ่วคิ้วขโมูดแล้วก็เดินจากไปเพียงแค่เขาเดินจากไปได้ไม่กี่ก้าวอาตามาจึงถึงบางอ้อวา่าผู้ชายคนนั้นตั้งใจจะหมายถึงอะไร เวลาไหม Have you got the ก i m e เป็นประโยคทาพทามเก่าแก่ที่สุดในตำราทีเดียวอาตมามารู้ภายหลังว่าที่ที่อาตมาถูกทิ้งให้ยืนอยู่นั้นเป็นย่านนัดพบที่ป๊อปปูล่าที่สุดของบรรดาเกในเมืองเพิร์เคียวลัเกคนนั้นหันกลับมามองอาตมาอีกครั้งและพูดเป็นเสียงเรียนแบบมาริลินมอนโรว่าวุา้ยใส่ชุดแบบนี้ คุณดูสวยเสด็จไปเลยอาตมาคอสารภาพว่าอาตมานเหนือแตกเลยพอดีคนขับรถโผลมาจากโรงหนังมาช่วยเหลืออาตมาได้ทันการตั้งแต่นั้นมาเราจึงใช้แต่ห้องน้ำของอาคารจอดรถเท่านั้น